เรื่อง้องใจขอพอใจเย็ดพอใจถือพอใจไม่รู้ไม่พอใจขนาดชาัดเจนมันยังหลงยังเชิญในเรื่องต่างๆอยู่สอบแสวงหาสืบสอบที่นี้พิจารณาจับเรื่องจิตจิติดปรุงต่างๆจนเกิดปัญญาจนลาถอนเรื่องความ จิตความค่องต่างๆท่านก็เห็นมาจากชัดเจนในท่านแต่ก่อนเคยลุ่มหลงตาได้ดูหูได้ยินจิตมันคิดมันหมายอย่างไรต่อเมือ่อได้ฝึกอบรมใจที่นี้พิจารณาธรรมมันเป็นไปอีกแบบไหนท่านก็ทราบจนถึงทดสอบ อารมณ์อะไรเ้าเคยกำหนดยินดีมาเก่าก่อนจิตใจมันหมดแน่นอนหรือมันยังมีอะไรอีกคิดมาเรื่องวัตถุตามต่างๆให้มันเกิดเรื่องราคาตัณหาเ่อจะจับพิรุธของมันว่ามันตายกันแน่หรือมันยังมีชีวิตอยู่หาเรื่องมาปรุงแต่ก่อนส่งไปไม่ได้ ส่งไปก็เป็นอันเสียเพราะจิตยังไม่มีกำลังสรงออกนอกออกทางเท่านั้นบังคับให้มันอยู่ดูแลมันจริงจริงจังๆเหมือนเด็กจี่ยังไม่รู้ยองสาอะไรต่อยไปตะโกบ้านตกช่องได้รับความเจ็บปวด ธรรมะสู่ฟังสั้งหน่อยนะอากาศ ร, ร้อนเสื้อหนังการสบายไม่อยากปูดอยากคิดอะไรอากาศ ร, ร้อนหนาวกวอีกอะนะหาเสียช้งแก่ตัวอย็ น, นการฟังธรรมขณะที่เราฟังธรรมต้องให้ปล่อยอารมณ์สัญญาต่างๆนานาปิเลยเจ็บเอาไว้ภายในใจให้หมดไป ในจิตใจมันว่างจากสัญจาอารมณ์ต่างๆธรรมะจริงจะมีทางรั่วไหลเข้าไปสู่จิตใจของตัวได้ในอย่างนั้นก็มีทางที่จะลู่ไหลเข้าไปเหมือนกันกันกบภาชนะของเราที่ใส่อะไรแน่นเอาไว้จะเอาอื่นใส่อีกมันก็ตกออกฉันใดเรื่องจิตใจเวลาฟังธรรมะก็หากัน สำระอารมณ์ของใจให้หมดไปแล้วจึงเอาธรรมะที่สันแสดงเอาไปใส่ในจิตใจของตัวธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนโดยส่วนใหญ่ก็ไม่สอนห่างไกลออกไปจากกายจากใจเพราะปัญหาที่สำคัญก็คือปัญหาของกายของใจเท่านั้นปัญหาอื่นทอย เกิดขึ้นจากกายจากใจ ห, หลงเรื่องของกายของใจปัญหาผมมีมากเลื่อยไปทั่วโลกรู้เข้าใจเรื่องปัญหาว่ามันเกิดมาจากกายจากใจเราจะปพูดอย่างไรกายใจของปวกเรายึ่งจะพอดพอดีสงบระงับเราก็จะต้องพิจารณาถูกและแก้ไข ปัญหาของใจให้เบาบางออกไปหรือสงบได้คนเราถ้าหากจะพูดถึงเนื้อหนังเอ็นกระดูกถึงร่างกายก็ไม่มีคุณค่าสาระอะไรพอจะขายได้เหมือนสัตว์อื่นๆหนังก็ไม่มีใคยนิยมคือเนื้อกระดูกก็เหมือนกันเรื่องสำคัญที่สุด ก็คือเรื่องของจิตใจจิตใจเป็นเรื่องสําคัญหากเรามองข้ามเรื่องจิตใจแล้วก็จะหลุมหลงเลื่อยไปจิตใจที่ดีที่มีอดธรรมมีความสงบมีความรู้ฉลาดในการที่จะแสวงหาอารมณ์มาสู่จิตใจของตน ใได้รับความสงบสบายเป็นเรื่องสำคัญคนเราหากจิตใจชั่วจิตใจเสียถึงร่างกายจะสวยสดงด ง, งามขนาดไหนก็ไม่มีใครนิยมชมชอบเพราะใจเสียใจจะเสียได้เพราะอาศัยไม่มีสติ รักษา ม, มีปัญญาแนะนตัวปล่อยให้คิดติดตามเรื่องของกิเลสตัณหาจนเกิดบาเกิดบออขึ้นหากรักษาจิตใจให้ดีมีสติมีปัญญาเรื่องของกายถึงจะไม่สวยสดงดงามแต่ว่าใจดีก็มีคุณค่าเหมือน ก, นกันกับทุเรียน ถึงแม้ว่าเปลือกข้างนอกมันจะเป็นน้ำไม่สวยงามอะไรแต่รสภายในมันอริดอร่อยคนก็ซื้อก็นิยมกินแต่ตรงกันข้ามข้างนอกสวยงามข้างในไม่มีคุณค่าก็ไม่มีใครนิยมชมชอบกันฉะนั้นเรื่องภายในจึงเป็นเรื่องสาคัญ ยิ่งกว่าเรื่องภายนอกภายในก็หมายถึงใจถ้าใจดีใจมีสติใจมีปัญญาจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็ดีไม่คอยผิดพลาดคนแบบนั้นมีคนทั่วไปนิยมชมชอบรักษาสมบัติคัดสถ า, านอะไรก็ปลอดภยัยทำงานอะไรก็ไม่ผิดพลาดนี่คือคนมีใจดี ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงง่ายๆมีจิตใจเสี่ยงตรงสม่าเสมอคุณค่าสาระของใจจึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของกายกายหากไม่มีจิตใจดีมันก็หมดคุณค่าหากกายกอดีใจกอดีก่อชีวีคุณค่ามากขึ้นแต่นั้นเรื่องของกาย พวกเราท่านได้มาจากกรรมคือการกระทำแต่พบก่อนถึงแม้ว่าบิดามารดาคนเดียวกันต้องการลูกหญิงชายให้มีร่างกายที่สวยงามทางนั้นแต่ลูกของท่านเหล่านั้นเกิดในคันเดียวกันผิดแปลกแตกต่างกันด้วยอำนาจของกรรมบางคนก็สวยงามบางคนก็ผิรเลวกิเละ บางคนก็มีสติปัญญาดีบางคนก็สติปัญญาไม่เป็นท่านี่เป็นเรื่องของภายนอกเรื่องของกายเป็นมาจากกรรมแล้วแก้ไขให้เป็นไปตามใจไม่ได้เป็นคนต่าอยากจะสูงก็ทำไม่ได้คนสูงอยากจะต่าก็ทำยากอีกเหมือนกันคนดำอยากจะขาวคนขาวอยากจะดำทำยาก นี่เป็นเรื่องข้องกรรมเก่าก่อนที่สนับสนุนให้ได้รูปร่างกายมาจึงเป็นเรื่องแก้ใช้ไม่ได้เรื่องข้องกายหาแก้ใช้ได้ก่อนิดนิดห น, น, น่อยหน่อยเรื่องข้องใจเรื่องภายในเป็นเรื่องแก้ใช้ได้ทุรายไปเมื่อต่างใจประพฤตปฏิบัตตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องข้องใจ ที่เคยว่าวุ่นขุนมัวก่า น, นับวันจะสงบระงับนับวันที่จะฉลาดสามารถรักษาตัวของตัวใได้รับความสงบเย็นความสงบเย็นของใจจึงเป็นของที่มีคุณค่าความสงบในทางศาสนาหมายถึงสงบจากอารมณ์ที่ชั่ว ต่างๆนา น, า, นาที่เคยคิดปรุงติดข้องสงบไประ ง, งับไปที่เจรณาภายในเกิดปัญญาสามารถแก้ไขรูปเห็นเด่นชัดในทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงนี่คือเรื่องของศาสนาสอนสอนคนให้อบรมใจเมื่อใจมีอัตธรรมมีความสงบความสุข ก, ก, ก็ต้องไปไม่ไปหาที่อื่น พความสุขของใจมีอยู่แล้วแต่มันไม่สงบต่างหากที่มันไม่มีความสุขความสบายความสุขของใจเกิดขึ้นจากความสงบเหมือนกันกับความสุขของกายก็เกิดขึ้นจากสงบจากโกรธใครใครเก็บ ต, ต่างๆถ้าหาโกรธใครเบียดเบียนมากเท่าไรกายก็จะไม่มีวันเวลา หาความสุขได้เจ็บปวดทุกข์หนทุกข์แข่งไปถึงจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เดินไม่ได้นั่งไม่ได้นอนอยู่กับที่นี่คือโรคภัยเบียดเบียนกายหาความสงบสบายไม่ได้ฉันใดที่เละตันหาอารมณ์สัญญาเบียดเบียนใจว่าทานองนั้นฉะนั้นจึงขับไล่ออกไปด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะน สิ่งใดที่จะเป็นภัยแก่ใจทำให้ใจคิดติดข้องแล้วนำทุกมาให้ท่านเรียกว่าโรคของใจโรคของใจจะขับไล่ด้วยยาภายนอกขับไล่ไม่ออกขับไล่ไม่หายท่านจึงเนี้ยสอนให้ฝึกอบรมใจด้วยอัดด้วยทำรรด้วยสติปัญญากาหนดทีนี้พิจรารณา เหตุผลต่างๆให้จิตใจรู้เห็นเด่นชัดใจที่เคยวิ่งวุ่นตามสัญญาอารมณ์ก็ให้สงบสงัดพอสงบสงัดลงไปความเบาความสบายจะเกิดขึ้นมีความสุขเหมือนกันกับกายที่สงบจากโรคไทยความสงบพระพุทธเจ้าถือ วาเป็นสิ่งที่นำสุกมาให้หากเราพิจารณากันด้วยใจเป็นอดเป็นธรรมก็พอจะเข้าใจรู้เห็นว่าความสงบนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาสงบของประเทศชาติไม่มีค่าศึกศัตรูพวกที่อยู่ในประเทศนั้นก็ได้ทำมาค้าขายการงานอะไรก็สะดวกสบายเพราะไม่มีข่าศึกศัตรูมารบกวน สงบในครอบครัวไปทะเลาะบอ่อแหว่งกันครอบครัวนั้นก็อยู่เป็นสุขทำมาหาจินท่องสะดวกสบายสงบกายจากโรคก็เดินเหินทำจิตทำการงานต่างๆสะดวกสบายนี่ความสงบเป็นเรื่องสบายสะดวกตั้งแต่ส่วนใหญ่มาถึงส่วนเล็ก ความสงบใจก็ทํำนองเดียวกันเบื้องต้นก็ไม่มีข่าศึกมาจากที่ไหนที่จะมาก่อกวนจิตใจให้วุ่นวายต่างๆนอกจากใจของตัวเองก่อกวนตัวเองเพราะใจที่เกือบแฝงไปด้วยกิเลสตัณหามานตาทิฏฐิอวิชาอุปาทานต่างๆท่านจึงให้พินิจที่เจนาะสธรระล้างใจ ที่สปกปรกสซอมต่างๆให้หมดไปด้วยอำนาจของสติด้วยอำนาจของปัญญาสติคือความระลึกรู้อยู่สม่ำเสมอปัญญาคือการสอดส่องให้เข้าจิตเข้าใจในสิ่งนั้ น, นั้นตามเป็นจริงของมันเช่นจิตโกรธหรือจิตโลกก็มีทางธรรมะที่จะแน่สอนจิตของตน ความโลภอยากได้วัตถุเข้าของต่างๆจนไม่มีขอบเขตไม่มีฝั่งขวาจะได้มาด้วยวิธีใดเอาทั้งนั้นสุดจริตทุจริตไม่ได้ว่าขอให้ได้มาตามตัวชอบเป็นพอคนโลภจัดอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งตัวเองทุกข์ทั้งคนอื่นสัตว์อื่นเพราะความพอดีพองามไม่มี มีเท่าไรก็ยังไม่พอใจในของที่ตัวมีอยู่ยังอยากได้ปุ่งปฟุ่งคิดมากจนถึงกับนอนไม่หลับหรืออยู่จินไม่สะดวกผลที่สุดก็ต้นสะดมเข้าไปลักจกตกปีงไปนี่หมายถึงจิตที่โลภจัดมันให้ทุกข์แก่ตัวเองและคนอื่นสัตว์อื่นอย่างนั้นการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขความโลภคล้องใจอย่างนั้นก็ให้คิดดูความโลภมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนความอยากหากไม่มีทำเป็นเครื่องรักษาแล้วคนโลภมากๆอยากมากๆได้มากๆอย่างนั้นเมื่อเขาตายไปมีอะไรติดตนตามตัวเขาไปไหมที่เขาหามาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายสมบัติพัฒฐานนันนั้นมันเป็นอย่างไร เขาได้ไปบางไหมหรือยังเหลืออยู่ในโลกนี่เป็นเรื่องอุบายปัญญาที่จะพิจารณาแก้ไขใจที่โลกเมื่อเราทราบว่าคนตายไปไม่ว่าตั้งแต่ของภายนอกตัวแม่กายของตัวเองผมขนแล้วฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเขากะเอาไปไม่ได้ธาตุอันใดเป็นดินจะต้องเป็นดินไปอยู่ในแผ่นดินเลื่อยไปไม่มีใครที่จะแบบ หาไปได้อันใดเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นธาตุเดิมของมันไปเท่านั้นเมืออมันแตกสลายลงไปเป็นอย่างนั้นแล้วคนที่โลบมากๆเขาก็ไม่ได้อะไรไปหากทุกลายอยากได้อย่างไรเป็นไปอย่างนั้นหามาได้เอาไปหมดพวกเราที่เกิดมาก็ไม่มีที่จะอยู่ที่จะอาศัยเพราะแผ่นดินอันนี้เคยมีคนเกิดคนตายมา นับจำนวนไม่ได่างเราขุดลงไปในดินลึกต่้งเมตรสองเมตรยังไปพบกระดูกอย่างตามแถวนี้มันเชียงอย่างนี้ย่ะพอไปเจอกระดูกต้นไม้ถึงว่าคนนั้นเคยเกิดเคยตายเป็นเจ้าของที่ดินเคยทําอยู่ทาจินมาแล้วหากเขาหอบหิวหาบหามสมบัติที่เขาหามาได้เป็นต้นว่าที่ไร่ที่นาที่สวนต่างๆหรือสมบัตร ที่เขาจับจอ ง, องหวงแหนว่าเป็นของของเขาเอาไปได้เราไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีแผ่นดินที่จะนั่งจะนอนจะทำอยู่ทำกินกันเมื่อเป็นอย่างนั้นความโลภที่เลยเถิดเลยแดนอย่างนั้นจะโลภไปทำไมโลภเท่าไรก็ยิ่งทาจิตทาใจให้เดือดร้อนแผดเผาตัวเองก็มเมื่อมีทำ หรือมีสติพิจรารณาอย่างนี้ก็มีเวลาที่จิตจะเชื่อจะจำนนความโลบนั้นก็จะย่นถอยลงมาหมดตัวมาให้เบาให้สบายไปแต่หน้าที่ของทางศาสนาธรรมะของพระพุธทธเจ้า 9, ไม่ได้สอนให้คนงอตีนงอมือให้ลงมือทา สิ่งใดที่ควรทาให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรในการงานหน้าที่ของตนคข้ามาโลกคือความเกินขอบเขตได้เท่าไรไม่มีเพียงพอของใจไม่ยินดีในสมบัติของตนที่มีอยู่นี่คือคนโลกโลภมากกว่าทำชั่วได้มากสันจึงว่าโลกโกดหลง เป็นบอ่อเกิดของอกุศลมูลกุศลมีโลภมีโกรธมีหลงภายในใจหนักเท่าไรอาจจะทำชั่วทำเสียไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างชั่วที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นชั่วที่มีอยู่แล้วก็จะเจริญขึ้นนี่หมายถึงกุศลมีโลภมีโกรธมีหลงในจิตในใจมาก แล้วคนที่โลภอย่างนั้นที่โกรธอย่างนั้นที่หลงอย่างนั้นพวกเราก็ทราบกันว่าเขาไม่มีความสุขทราบจากตัวเราเองเมื่อมันโลภบบมากโกรธมากมันมีความสุขมาจากที่ไหนมันไม่มีความสุขของใจเอาเลยถึงสมบัติจะท่วมท้นขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขของใจเพราะความโลภความโกรธความหลงบังคับบัญชาที่หลังนั่งคออยู่ตลอดเวลาฮะ อิสระของจิตของใจไม่ได้พระพุทธเจ้ า, จ, าจึงสอนให้พวกเราชำระสะสาทสาโลกของใจให้ตกไปโดยการที่นิพพิจารณาธรรมะสักกอกจิตใจให้สะอาดแต่ไม่ให้นิ่งนอนใจไม่หาอะไรไม่ทำอะไรถ้าทำไปจะเป็นเรื่องโลกไม่เป็นอย่างนั้นท่านใน ห, หาในทางสุจริต ได้มาทางสุจริตไม่ผิดจากอาจทาคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้ามันโลภจัดมันจะเอาอยางสุจริตมันไม่ทันกับความโลภความต้องการของมันมันจะต้องต้นต้องขี้ต้องข่าต้องตีงต้องรักต้องขโมยไปต่างๆนั่นคือเลยเถิดหรือเนื้อขอบเขตของธรรมดีในเราต้องสอนใจของเราว่าเกิดมาทุกคน อายุไม่ถึงพันปีหมื่นปีจะต้องตายดย้วยกันทางนั้นเมื่อตายไปสมบัติพิษฐานเข้าของเงินทองต่างๆที่แสวงหามาได้ไม่มีทางที่จะนําไปโลกหน้าได้เราเคยเห็นแต่จากในตาของเราควรเกิดมาไม่มีข้าของอะไรติดตนตามตัวมาเกิดมาทุกคนจะต้องมาด้วยตัวเปล่าเงินทอง เื้อผ้าอะไรไม่ติดมาทางนั้นนี่คือคนเกิดไม่มีอะไรติดตัวมาเมื่อโลภอยากได้มากมายอย่างนั้นก็ไม่มีวันทาคุณงามความดีมีแต่จะสแสวงหามาบําบรุงกิเลสตัณหาบารุงายแต่บํารุงใจไม่มีพลอใจฉากวิ่งไปตามเรื่องของโลก ก็เหมือนกันก็วิ่งไหลเงาไม่มีวันทันเราวิ่งมันก็วิ่งไปตามอย่างนั้นเลยไม่ทันกันสักทีส่องอาศัยธรรมะเป็นเบรเป็นเครื่องกั้นเป็นประตูปิดเอาไว้ใส่คิดที่นี้พิจารณาห้ามจิตใจไม่ให้เกิดโลภโกรธหลงถ้าหากไม่มีธรรมะมันก็อพักผ่อน ไม่ได้มีใจจะไหลไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาคนเราเกิดมาเกิดมาแต่ตัวเปล่าแต่อำนาจของบุญกรรมที่ทำมาผิดกันอย่างที่พูดมาว่าบิดามาันดาคนเดียวกันลูกหญิงชายเกิดในคันอันเดียวกันไม่เหมือนกันนั่นคือกรรมของเขาเมงื่อเขามีกรรมดีเคยสะสม อบรมมาแต่เก่าก่อนถึงเขาจะมาแต่ตัวเปล่าเขาก็มีกรรมดีนั้นเป็นพื้นฐานทำให้คิดอ่านสแสวงหาสมบัตรธัตุฐานถูกต้องเหมาะสมกล้ารวยจเจริญขึ้นนี่คือกรรมเก่าก่อนที่เคยสั่งมาอบรมมาทำมา ทุกคนเกิดมาก็ต่องการเข้าของเงินทองต่องการความสุขความสบายแต่เหตุดายยายเล่ามันจึงต่างกันไม่เป็นไปตามความคาดหมายทั้งทั้งที่ทำงานเหมือนกันกันกบเขาแต่เราก็ไม่ลารวยสักทีนี่คือกรรมดีฝ่ายผู้สนไม่สนับสนุนให้จะทำอย่างไรก็ไม่สบจังหวะหรือได้มาก็มีมภัย อันตรายขัดขวางพอจะเจริญขึ้นเดี๋ยวก็เจ็บป่วยจำเป็นเงินทองที่หามาได้เอาไปรักษาหมดเนื้อหมดตัวสร้างมาใหม่กลาจะได้พอสมควรเกิดอีกภัยอันตรายส่วนนั้นกำชั่วมันตัดรอนเลยไหมดีไหมวิเศษให้ทั้งท้างที่เรามองไม่เห็นแต่มันมี เส้นสายของมันกรรมเก่าคนที่เขาจะร่ำจะรวยเกิดมาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันกับคนที่อยากจนเขินใจแต่เธอว่าสติปัญญาของเขามีทำอะไรลงไปศพจังหวะได้มาก็ไม่มีภัยอันตรายเบียดเบียนนี่อานาจของบุญกรรมทางศาสตร์นาสอนเอาไว้ผู้ที่มีกรรมดีจะไปเกิด ในสถานที่ใดไปเกิดดีมีความสุขสมบัติแม่ไม่ติดตัวมาก่อหาได้บุญวาสนาส่งเสริมเติมต่อให้รับความสุขกายสุขใจพอสมควรเพราะชาติมนุษย์ไม่เหมือนชาติของเทพบุตรเท พ, พธิดาชาติมนุษย์เกิดมาจะต้องก่อสร้างทำมาหาจินจึงจะเป็นไปได้แต่คนที่ ไม่มีวาสนามีกรรมชั่วจิตตนตามตัวมาก็อาภัพอับจนแทนจึงว่าจนทรัพย์อับปัญญาทรัพย์ก็ไม่มีปัญญาที่จะคิดค้นแสวงหาก็ไม่มีนี่คือคนไม่มีวาสนาส่วนบุญที่เราก่าร่างสร้างเอาไว้ด้วยกายวาจาใ จ, ใจก็ส่งผลให้ หากไม่มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเท พ, พบุตรเทพทิดากาได้รับความสุขความสบายในสถานที่นั้นนั้นพบชาติของเท พ, พบุตรเทพทิดาเป็นชาติที่เสวยผลระลึกนึกอยากได้อันใดสิ่งนั้นจะต้องหลั่งไหลมาด้วยอํานาจวาสนาบุญบารมีมันเป็นไปเองสําเร็จ ที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ตรงก่อล่างสร้างขึ้นเกิดขึ้นเพราะบุญกรรมที่ทำไว้เก่าก่อนนี่คือเรื่องของเทพประวุฒิเทพพิดาตามตำรับตาราหรือครูอาจารย์ท่านเคยแนสอนเราอย่าไปเฝ้าคิดในเรื่องของผลให้ประกอบเหตุจนของเราหากยังมีกิเลสมีตัณหาความเบียดบายตายเกิดจะต้องมีมา ในพวกฉาติต่อไปไม่ใช่ว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วดับอย่างความเข้าใจของคนปัจจุบันเรียนกันมาจบศาสตร์ต่างๆในปริญญ์ปริญญายังสงสัยว่าตายแล้วเกิดไหมกอไปเรื่องพิจะะารณาแต่เรื่องของกายใจไม่เคยคำนึงคำนวณไม่เคยวินิจฉัยไม่เคยอวบรมใจของตัวให้เห็นตัวของตัวสักที มันก็หลงเรื่อยไปมืดเลื่อยไปใครจะว่าว่าเกิดมันก็ไม่เชื่อพอมันเรียนตั้งแต่แบบนอกแบบในคือใจของตัวไม่ค่อยได้เรียนมันจึงหลงถ้าไม่เกิดทาไมมีพืชพันกันมาวันนี้มีไหมวันหน้าจะมีไหมถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็เชื่อว่าวันนี้มีพอเราเห็นด้วยตาของเรา เราวันหน้ามันจะมีไหมเราก็เคยผ่านมาเคยเห็นแต่เหตุใดการเกิดการตายเราจึงจำไม่ได้ก็จะจำได้อะไรสัญญาอนนีจา้าคิดดูตั้งแต่ผ่านมาเมือ่อสิบกว่าวันเขาถามแบบทานข้าวกับอะไรวันนั้นตอนเที่ยงตอนค่าทั้งที่เราเคยทานอยู่นั้นแห้ะก็ตอบเขาไม่ได้เพราลืมไปยังเก้าวันสิบวันเท่านั้นยังลืมได้ นีการเกิดตายมันนานกว่านั้นมันจึงจำกันไม่ได้จะถือว่าการจำไม่ได้ลบล้างความเกิดความตายมันจะมีเหตุผลเลือลบล้างไม่ได้ความเกิดความตายมันมีถ้าหากมีกิเลสตัณหาอยู่แต่การเกิดเพราะให้เกิดดีมีความสุขตายเพราะให้ตายดีมีคนสนรสญการจะเกิดดีตายดีอย่างนั้น กว่าจะมีอะไรอื่นนอกจากการทำดีของตัวการทำดีของตัวนี่แหละจะทำให้เกิดดีตายดีได้เมื่อเวลาเกิดเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วแต่กรรมที่เราทำไว้จะส่งเสียให้อยากจะไปเกิดเป็นพระราชามาหากรารสัตว์เป็นเศรษฐีกุมทีใครเล่าอยากจะไปเกิดในตระกูลที่อดอยากยากจนไม่มีคน ได้ที่ปรารถนาอย่างนั้นแต่ทาไมไปเกิดกันก็เพราะความมืดดำคือกรรมปิดบังเอาไว้ส่งเสียให้ตามทุนทรัพย์ของตนเหมือนคนจนจะไปซื้อของที่ดีวิเศษราคามางๆซื้อไม่ได้เพราะทรัพย์ของตัวน้อยจะต้องซื้อได้แต่สมกับทรัพย์ของตัวเท่านั้นคนไปเกิดก็เหมือนกันอยากจะไปเกิดดี แต่เธอว่าบุญกุศลของตัวไม่มีมันก็ไปเกิดไม่ได้เมื่อบุญกุศลของตัวมีมันก็เกิดได้ตามอานาจวาสนาฉะนั้นเราที่มีชีวิตเป็นอยู่จึงควรก่อร่างสร้างตัวให้ดีอยากจะไปเกิดดีมีความสุขอยากจะไปเป็นเทพบุตรเทพดีดาอินทม์ต่างๆสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้น คนงามความดีเท่านั้นแหละจะนําตนตามตัวไปสู่ความดีได้ความปาา่าเถนาได้ส่วนความชั่วความเสียอย่าหวังเลยว่ามันจะให้ความสุขความสนุกสบายแตป่ปัจจุบันสมัยนี้เขาไม่ค่อยเชื่อบุญกรรมกันเหตุนั้นบ้านเมืองหรือโลกจึงวุ่นวายเพราะไม่เชื่อบุญกรรม ถึงจะไม่เชื่อขนาดไหนก็ไปเถอ ะ, อะสายตาขนาดมนุษย์ปุถุชนธรรมดาไม่เชื่อมันก็จะโดนเรื่องของมันเองในวันใดกววันหนึ่งความชั่วตามให้ผลเมื่อใดเมื่อนั้นแหละเขาถึงจะขนคิดเอ๊ะเราทําชั่วมาแต่เมื่ อ, อไรเราจึงได้รับความชั่วความเสียอย่างนี้เมื่อทุกข์ ถึงตัวเข่าจึงจะเห็นโทษในการทําชั่วเหมือนคนที่ทําชั่วถูกเข้าจับกุมคุมตัวเขาว่ขาคุกเข่าตารางต่างๆถึงค่อยคิดเห็นโทษการทําชั่วของตนแต่บางคนก็มืดมิ ด, มดไม่คิดเลยว่าเราสร้างชั่วทําเสียเขาจึงจับกลุมคุ ม, มตัวอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือกรรมมันปิดเอาไว้ข้อสําสคัญ ขอให้เชื่อท่านผู้รู้พระพุธทธเจ้าท่านรู้ท่านเข้าใจในเรื่องต่างๆทั่วถึงมีสายตายาวมีพยานทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เหมือนพวกเราท่านมีแต่ตาเนื้อมองดูก็ไม่ทั่วไม่ถึงอะไรดังนั้นเมื่อเราเชื่อเรื่องของตัวจึงจะ ไม่มีทางให้ไปสู่ความดีวิเศษได้ต้องยึดถือความรู้ความเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทานวิเศษประเสริฐมาเป็นศาสดาอย่าเอากี่เหลียมตั้นหาความอยากของตัวเป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าหากเราจะเอาเรื่องของเราไม่ได้เอาธรรมะมันเข้าตัวมันทายเสีย การทางธรรมะก็เหมือนกันจะพูดจะเทศให้ถูกกับจิเลสของคนมันผิดธรรมถ้าพูดเรื่องของธรรมมันผิดจิเลสเพราะจิเลศกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันการกระทรรของเราเหมือนกันถ้าจะทําตามกิเลศมันอยากหลับอยากนอนกอทําไปมันเหน็ดเหนื่อยเอยมื่อยล้านิดนหน่น apo, อยหน่อยกว่าพามันพนักผ่อนมันอยากคิดอยากฟุ้งเรื่องอะไรกบปล่อยมันไปนั่นคือตามเรื่องของกิเลศ แล้วจะไม่มีเวลาเห็นธรรมถ้าหากจะทําตามเรื่องของธรรมเอา้าไม่รู้ไม่เห็นไม่ดีไม่เด่นเราจะไม่ยอมหยุดเพราะพระพุทธเจ้าถันทํามาแบบนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้มาสอนโลกไม่ใส่ของทําเล่นๆธรรมจริงๆจังๆเสียสละแม้กระทั่งชีวิตไปใส่ถันทํามมาเล่นๆ ถ้าหากความดีความเด่นความเป็นพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นเงื่อหนังเอ็นกระดูกมันจะหักจากทางจะเผื่อยจะเน่าไปเพให้ไปเถอะท่านเสียสละขนาดนั้นท่านจึงได้ธรรมะมาสอนโลกเราเพียงหนังหลับตาสวดไปเดียวเดียวอยากจะได้มกักอยากจะได้ผลอยากจะเห็นความดีความเด่นของใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสตัณหา มันใหญ่มันโตนับพบนับชาติที่มันหุ้มหอ่อจิตใจของเรามาแต่นั้นจึงเพียรพยายามสําระกจะทําจริงจังทดิเด ต, ตันหาจึงจะค่อยตกไปใจจึงจะได้รับความสงบใจจึงจะเคยรู้เคยเห็นทำอย่าไปเชื่อว่ามันเจ็บมันปวดอย่างนั้นอย่างนี้มันใหม่จึงจะทํากันอีกเวลานี้ดึกแล้ว วันใหม่จึงคอยทำกันมันผัดเลื่อยไปพิ้งเลื่อยไปความดีของใจถ้าเชื่อเรื่องกิเลสแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายเลยไม่เห็นอาจทำอะไรภายในใจของตัวเพราะเชื่อเรื่องของกิเลสถ้าหากไม่เชื่อเรื่องของกิเลสทำจริงทำจังมันจะเห็นความดีความเด่นของใจเมื่อเห็นแล้วก็ไม่ต้อง มีทางสงสัยว่าชาติหน้าตายแล้วเกิดไหมเป็นอย่างไรเพราะปัจจุบันเรารู้เราเข้าใจในตัวของเราเองทมเป็นสันคิตฐีโกผู้ป่ะพฤติปฏิบัติเห็นเองอย่างนั้นก็เห็นเองอยู่ทุกขั้นเรามีกิเลสตัณหาจิตไม่สงบก็เห็นว่าจิตของตนไม่สงบจิตของตนอยู่ในอาจในธรํมก็ทราบว่าจิต นั่นมันอยู่ในอดัดในธรรมจิตสงบระงับก่อทราบเป็นไปทุกขั้นและเป็นอากาลี้โกไม่เหลือกการเหลือกเวลาธรรมะของ พ, พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ากรนีผพานไปมรรคผลหมดไปไปฏิบททัติดีชั่วไม่มีผลอะไรไม่เป็นอย่างนั้นถ้าหากธรรมะไม่เป็นอาการลิโกอย่างนั้นจะไปสรวจไปเรียนกันทําไมอากาลิโกเอะฮิปัติโกอยู่ นี่ตัวธรรมะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเราทําดีความดีจะเกิดจะมีจะเห็นจะรู้เราทําชั่วถึงคนอื่นไม่เห็นตัวเองกว่าเห็นถ้านจี่ว่าความลับไม่มีในโลกขอให้พยายามบังคับข่คมขู่จิตใจของตนที่ชอบชั่วแล้วอยากได้ดีแต่ทําพูดคิดในทางชั่วความดีมันจะมี มาตอบแทนอย่างไรถ้าเราทําดีจะต้องเห็นผลดีอย่างน้อยก็ปีติปราโมทในการกระทำของตนว่าเราทําไปนี้เป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์บุคคลทําไปเพื่อประโยชน์ของตนและคนอื่นจิตมันก็ไม่เศร้าหมองจิตก็ปีติยินดีในการกระทำของตน ที่มีปีติมีความยินดีในความดีเป็นจิตที่มีความสุขก็ตายแล้วจะไปทุกขติหรือสุ ข, ขติก็ความสุขมีอยู่ในใจใจมีสุขจะไปทุกขติอย่างไรทราบแล้วว่าความชั่วความเสียนำทุกมาให้ตายไปสู่ทุกขติเมื่อเราทราบอย่างนั้นก็เหมือนกันกับคนทราบว่าที่นี้ มีหลุมมีบ่อมีหลักมีตอหรือมีไฟจะไปเหยียบมันทำไมไปตกมันทำไมพอมันทราบมันเห็นหลีกได้เว้นจากสถานที่อย่างนั้นได้มันไม่ทราบนั่นสิมันบอดมันโวกตา ก, ก็ไม่เห็นผลหู ก, ก็ฟังเสียงอะไรไม่เดิถนักไม่พอใจมันก็ตกไป โดนไปในสถานที่ต่างๆตัวตาบอดหูหนวกยังจะไปอวดดีวิเศษไปเหยียบข้อหมากูหาเหยียบมันมานานแล้วหมานี่เพิ่งจะเจอวันนี้ใครเราจะเชื่อไอ้ตาบอดมีวาท่าอย่างนั้นใครเขาสรรเสริญเยินยอเพราตัวไม่เห็นก็ไม่ยอมอะไม่เห็นไปโดนหลักโดนตอกอเอาเยอะกูหาเตะมานานแล้ว แตะมากๆเข่าโดนมากๆเข่าระว่างตายนั่ล่ะไอ้บอดแบบนั้นอย่าไปอวดดีอวดเจงบอดยอมจํานวนว่าบอดหนวกยอมจํานนว่าหนวกก็ยังมีผู้เมตตาสงสารถ้าเขามีอยู่มียาก็อยากจะให้ทานรักษาถ้าเราไม่ยอมจํานวนอย่างนั้นก็เลยไม่มีทางที่จะแก้ไขตัวของตัวกายใจของตัวให้ดีวิเศษได้ เชื่อตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาเชื่อไปเท่าไรมันก็นําพาไปทางต่ำเรื่อยไปแต่นั้นทำของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องทวนกระแสจิตใจของพวกเราท่านถึงลำบากยากเย็นก็เพื่อความสุขความสบายในการต่อไปเหมือนคนทำงานถึงจะลำบากผลงานที่เราทำก็จะให้ผลถ้าทำ ไร่ทำสวนเพื่อที่เราพอปลูกลงไปในวันใดวันหนึ่งมันจะสิดอออกผลให้ก็ไม่ใช่คนอื่นจะมีกรรมสิทธิ์กัวตัวของเราเองจะได้นำมาอุปโภคบริโภคต่อไปเราเชื่อมั่นอย่างนั้นเราจึงทำกันได้ไม่กลัวแดดกลัวฝนบันเหน็ตัวเหนื่อยต่างๆนี่การทำคุณงามความดีก็เหมือนกันถึงจะลำบากยากเย็น บอความดีอันนี้ที่เรากระทาบําเพ็ญจะที่ดอออกผลให้เชื่อในใจอย่างนั้นแล้วลงมือกระทําบําเพ็ญความดีเราเองจะเห็นผลแต่ก่อนที่เราไม่ได้กระทําบําเพ็ญจิตใจมันดิ้นรนกรวนกระวายตามสัญญาอารมณ์อย่างไรเรากะทํามาวิเ ล, เลตัญหาที่เคยลบกวนใจมันลดน้อยถอยไปหรือไม่ มันทราบอยู่ในตัวของตัวเสมอไปจนถึงกับขั้นสงบจนถึงกับขั้นหลุดพ้นเป็นอย่างไรมันทราบไปทุกระยะทุกเวลาธรรมะจึงเป็นสันคิสิโกหรือปัจจจตงังไม่ใช่มรรคผลพระพุทธเจ้าหรือสาวกหาผามไปยังมีอยู่ในผู้ประพฤติปฏิบัติขอให้ลงมือกระทาบาเพ็ญให้รู้ให้เห็น อย่าไปอ่างการอ่างเวลาว่ายังดึกแล้วหรือเช้าอยู่ร้อนหรือหนาวเรื่องดินฟ้าอากาศหรือดูมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรเราจะไปเสียใจให้มันมันก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรเพาที่จะจับให้เราเย็นเราหนาวถ้าหน้าร้อนหน้าหนาวก็เหมือนกันไม่ควรจะไปคิดฮะ ต้นนี้สิโทษของมันว่ามันหนาวอย่างนั้นอย่างนี้ทางที่ดีมันร้อนกว่าหาน้ํามาอาบมันหนาวกว่าหาขามาโฮมนั่นแหละทางแก่ตัวที่ถูกถ้าไปต้นนี้ดินฟ้าอากาศบา้บาบา้บาบอเราไม่มีทางหนาวสั่นอยู่นั่นแหละถึงหน้าหนาวฝนชีสุดหนาวจัดก็อาจจะปอดบวมตายก็เป็นได้ร้อนจัดไม่หาหน้ามาอาบฮะอยู่ร่มอยู่เงาก็อาจตายแดด ตายร้อนอย่าไปบนในเรื่องเหล่านั้นมันเป็นตามหรือดูการของมันเรื่องร้อนแดดหรือหนาวลมต่างๆเราก็ยังมีทางรักษาตัวให้อยู่รอดมาได้ร้อนจิดร้อนใจด้วยกิเลสตัณหาเรามีวิชาอะไรมีปัญญาแบบไหน ที่จะมาแน่สอนใจให้ได้รับความสุข ค, ความสงบอันนั้นขอทุกท่านจงพินิจพิจารณาหาสติปัญญานำธรรมะมาอบรมตัวเมื่อถูกธรรมะอบรมรักษาความร้อนรนกรวนกระวายท้องใจก็จะเหยียดหายไปสงบไปได้รับความสุขธรรมะของพระพุทธเจ้า ท่านสอนให้คนฉลาดคนโง่ไม่สามารถที่จะรักษาธรรมะของพธธ ร, ระพุทธเจ้าได้ดังนั้นขอทุกท่านจงนำธรรมะไปพิจารณาฝึกอบรมกายวายจาใจของตนก็จะเห็นผลคือความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าพ อ, อสมควรจช้เวลาขอยุติเพียงสต่นี้เทียนัง